โดยที่ตรงนี้ขอเล่าความเป็นมานิดหน่อยว่าเมื่อก่อนเป็นสถานที่ที่ป่าไม้กันไว้ให้ประมาณ15ไร่โดยที่การประกาศเขตป่าอนุรักษ์พันธุ์สัต์ ป, ป่ามาถึงหัวเขานิโพรดีแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพระกรมรมฐานสายต่างๆบนเขาลุกนี้มีท้ำหลายหลายสิบแห่งที่ใช้ได้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 ไม่กล้าเข้าไปล่วงล้ำกั้มเกินอะไรที่ต่อมาเมื่ อ, อทางการประกาศเป็นป่าอนุรักษ์แผ่นดิ์ป่าก็มีการยมุนพระลงนะการยมุนพระลงเพราะพระยุคหลังๆนี่ก็ไม่ได้เข้าไปบาเพ็ญโดยตรงไปแสวงหาของอไปเล่นแรกแปราธาตุต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นที่แสวงหาราบ สการะของพระมิฉาชีพก็ว่าได้นะมันทำให้ป่าขงเขาโลกลุงลังไปด้วยของขยะต่างๆที่ญาติโยมหลงเชื่อแล้วก็นำเอาของวัตถุปัจจัยทายธรรมต่างๆไปถวายเสร็จแล้วก็ทิ้งขยะเกลื่อนกราดอยู่ในต่างซอกเขาซอกธรรมทำให้ป่าเขาเสียความบริสุทธิ์พวกเจ้าหน้าที่ยุลักษ์พวกป่าไม้เขาก็เลยนิมนต์พระลง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 พระก็เลยทะเลาะกันก็อยู่กันไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปเหลือองค์สุดท้ายที่เข้มแข็งกว่าเพื่อนญาติยมก็ไล่ออกไปอีกก็เลยในที่สุดวัดก็มีหลวงตา ก, กับไม่ชีแก่รักษาไว้ได้สักสามสปีได้นี่ในช่วงนั้นพอจะมาประมาณปี4ประมาณปี46 4ห4สนี่เองนะก็ได้พาพระตามบุติมาอยู่ที่ทำํำที่แพร่แสงเทียนจังหวัดแพร่ะนะทำสานักที่นั่น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 ที่หลังจากเราปฏิบัติภาวนาแบบเคลื่อนไหวแบบวัทเทียนไประยะหนึ่งโดยเราพวกเราปฏิบัติกันทั้งวันทั้งไหวสวดมนต์ปฏิบัติกันทั้งวันเมื่อชีกน้องตาที่อยู่ที่นี่ก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนว่าท่านไม่ได้ทําเหมือนเราแต่เราก็จัดการบริการอุปถาคุปธรรมท่านอย่างนีนะถวายอาหารดูแลรักษาอุปถาคอย่างดีแต่ท่านก็จะรู้สึกละอายใจหรือยังไงนี่แหละท่านก็เลยมีออกไปสร้างวัดใหม่ไปอยู่วัดข้างนอก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 ก็ในวิธีการของขวอเทียนที่เชยภูมิเนี่ยมีสาขาเยอะแต่ในกลุ่มของแพทย์แสงเทียนก็มี7 8แปดสาขานี่ก็ไปจุดที่ต่างๆมีจันตราดแะยองชชยภูมิแพร่พะนะสกลนครตลอดทั้งที่อเมริกาก็เวียนกันไปก็ให้พระอาจารย์สมพงศ์อยู่แทนจนมาถึงบัดนี้ก็4ปีซึ่งระยะ4ปีนี่เราก็ทำอะไรไม่ได้มากนักเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ปไม้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 แต่ในเมื่อมีญาติโยมบางกลุ่มบางท่านต้องการเข้ามาภาวนาร่วมด้วยเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีความสงกวิเวกพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีอัตคัดบ้างด้วยปัจจัยสแต่ก็พออยู่ได้เพราะว่ามีผักหญ้าพอหาได้แล้วก็ที่สะดวกคือน้ำเราพยายามต่อน้ำลงมาจากภูเขาเป็นประปาภูเขานะแล้วก็พระที่มาภาวนาที่นี่ส่วนใหญ่ก็ เรปฏิบัติใครปฏิบัติมันตอนนี้เรามีพระอยู่ประมาณสิบกุรุนะแล้วก็เป็นม่ชีจะหกเจ็ท่านขึ้นไปภาวนาที่หน้าถ้ำวิชีอยู่ข้างบนได้4ท่านนะก็มีพระอยู่3าสีท่านอยู่ข้างบนแต่อยู่ข้างล่างนี่ก็ประมาณสักเจท่านเพราะนั้นในการที่มีการรับบุคคลภายนอกเข้ามาภาวนาแล้วก็ขอร้องว่ามาเพื่อภาวนาจริงๆ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 อพอมาที่นี่เราก็มาใช้วิธีการของพุทเทียนกิติสุโภเพราะเห็นว่าวิธีการของพุทเทียนกิติสุโภนั้นเป็นวิธีการที่ยืดหยุนสะดวกง่ายดายสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่หรือแม้แต่ฝึกเก่าแล้วก็ตามเพราะว่าสามารถนำไปประยุกใช้ได้ทันทีเวลาเราฝึกฝนแล้วกลับไปบ้านเราก็ไปประยุกใช้ทันทีโดยที่ไม่ต้องอไปนั่งภาวนาเป็นวันเป็นคืน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 จะมีธรรมะจากเทพจากทีวีจนไปถึง1นึ่ทุ่มบางทีเราไปทำวัดหนึ่งทุ่มบางวันทำวัดถึงทุ่มถึงหนึ่งครึ่งจากหนึุ่่มครึ่งไปถึงทองสองทุ่มครึ่งก็ปงงงงเป็นธรรมะบรรยายการสนทนาธรรมการซักถามบัญหาแล้วการอบรมภาวนาร่วมกันประมาณ2องทุึ่งแล้วก็พักผ่อนพอไปถึงที่พักที่อยู่หลับนอนเราก็เรียก น, อน้อยเราก็ได้นอนประมาณ3ามทุ่ม อันนี้คือรายการประจำวันนะแล้วก็ตุกลงว่าเรารับสินแปเนาะอยู่ในป่าสินห้าก็อยู่ในบ้านสินแปรจะอยู่ในป่าจะคุ้มครองหน่อยอาตุกลงอารกธนาสินแปรลงกัน